จเจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31ดกรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่ตาง ยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญให้ทานมารักษาศรรีลมาปฏิบัติธรรมอามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทางร่างกายทางทรัพสมบัติเข้าของเงินทองทา ง, างลาบยศเสริญสุดทางตาหูจมูกนิ้วกายเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเพราะจะต้องมีวันหมดมีวันสิน้นส่วนการพัฒนาทางจิตใจไม่มีวันสิ้นสุด มีแต่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะตั้งอยู่บนจุดสูงสุดนั้นไปไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราแบ่งเวลาอย่างน้อยอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละหนึ่งวันมาวัดกันเพื่อมาพัฒนาจิตใจกันเรา มีเจ็ดวันหกวันนี้เอาไปพัฒนาทางร่างกายทางร่ายศสสนเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายส่วนวันที่เจ็ดนี้เช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาพัฒนาจิตใจเพราะจิตใจนี้สำคัญกว่าร่างกาย ความสุขความทุกข์ของจิตใจมีน้ำหนักมีพลัง ม, มากกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายความสุขความทุกข์ทางใจเป็นความสุขที่จะอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วส่วนความสุขความทุกข์ของร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วมันก็หมดไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง สิ่งของต่ตางๆที่ได้มาเวลาตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริ์เวลาตายไปก็ไม่สามารถเอาความเป็นพระราชามหากษัตริ์ไปได้ก็ต้องทิ้งให้คนอื่นเขาเป็นต่อไปเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีพอตายไปก็ต้องสละไป กลายเป็นของคนอื่นไปนะการพัฒนาทางร่างกายจึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาชั่วคราวไม่ได้เป็นการพัฒนาที่สาวนะ์ส่วนความพัฒนาทางใจนี่ถาวรเพราะเราสามารถเอาติดไปกับเราได้นะการพัฒนาทางใจจะทำให้เราพัฒนาภพชาติของเรา ให้สูงขึ้นไปตามลําดับจากพบของมนุษย์เราก็พัฒนาขึ้นไปเป็นเทพจากเทพเราก็พัฒนาไปเป็นพรหมจากพรหมเราก็พัฒนาเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองก็เรียกว่าพระสัจิดาคามีขั้นที่สาก็เรียกว่าพระอนาคามี ขั้นที่สี่ก็เรียกว่าพระอาหารหันต์พอถึงขั้นที่สี่ก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเป็นที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่จะได้รับจากการที่เรามาพัฒนาจิตใจกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจปล่อยให้จิตใจ ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงไหลไปกับการกระเสบอบายามุขเช่นเล่นการพนันเดืสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดคร้าแล้วก็ไหลไปกับความบาปคือไหลไปกับการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดเสพสุรายาเมาถ้าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของบาปกรรมไหลกระแสของกิเลสตัณหาใจก็จะลงไปสู่ที่ต่ำแทนที่จะพัฒนากลับกลายเป็นการเสื่อมเป็นการเป็นการส่งให้ใจตกไปลงอยู่ที่ต่ำต่ำกว่าขณะที่เป็นอยู่ขณะนี้ขณะนี้เป็นมนุษย์พอทาบา ทำกา ร, รก็จะเสื่อมลงไปตามเหตุของการกระทาถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็ น, เ ป, นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นผีถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก่อเกียด ก็จะไปนรกนี่คือเรื่องของจิตใจของเราที่จะต้องมีการไปเกิดใหม่ไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ไม่มีวันที่จะเกิดใหม่ร่างกายนี้ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมสู่ต้นต้นทุนร่างกายนี้เราได้มาจากดินน้ําลมไฟ พอตายไปเราก็คืนร่างกายนี้ให้กับดินน้ํำลงไฟไปเวลาเราเอาร่างกายไปเผาน้ําก็ระเหยไฟก็หายไปลมก็หมดไปเหลือแต่ขี้เถ้าขี้เถ้าก็เป็นดินนี่คือธรรมชาติของร่างกายของพวกเราที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราว เราได้รับมาจากพ่อจากแม่ขณะที่ตั้งตัวอยู่ในท้องแม่เราคือดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายที่ได้ไปใช้บุญใช้บาปมาแล้วก็มารับร่างกายจากพ่อแม่แล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ทํามาหากินเลี้ยปากเลี้ยท้องหารากยศสรรเสริญหาความสุข อะไรต่างๆแต่ก็ต้องมีวันหมดไปเพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายเกิดมาก็จะเจริญเติบโตจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นคนแก่คนชราเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็เป็นคนตายพอตายก็เอาไปเผาหรือเอาไปฝัง เป็นการคืนสู่ธาตุนิ่คืนสู่ดินน้ำลมไฟไปส่วนใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็ไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้ถ้าพัฒนาจิตใจด้วยบุญกุศลก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นพงไปสวรรค์ของพระอริยาเจ้า ไปสวรรค์ของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ถ้าไม่ได้พัฒนาไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปก็ไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็น เ, น เ, ป, นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกนี่คือใจของพวกเราที่หลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจึงต้องไป รับผลบุญผลบาปต่อไปคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็เพราะคิดว่ามีเพียงร่างกายเห็นว่าร่างกายของคนตายไปแล้วก็กลายเป็นดินกลายเป็นที่เท่าไปไม่มีการไปเกิดใหม่เขาไม่เห็นใจใจนี้เป็นมนุษย์ล่องหนที่เราไม่สามารถมองด้วยตาของร่างกายได้ ถ้าเราอยากจะเห็นใจของเราเราต้องใช้ใจเป็นใช้ตาของใจเป็นผู้ดูวิธีที่จะดูวิธีที่จะใช้ตาของเราให้เห็นใจให้เห็นตัวเราเราต้องปิดตาปิดตาของร่างกายนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุดโธพูดโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจไม่คิด เดี๋ยวใจก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะเห็นใจเห็นตัวใจเห็นตัวรู้แล้วเราจะไม่สงสัยว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่จะไปสูงไปต่ามีจริงหรือไม่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ถ้าเราได้เห็นตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. เห็นตัวที่ไปเกิดสูงต่ำ ตอนนี้เรามองไม่เห็นตัวนี้เราเห็นแต่ตัวที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่เราก็อาจจะคิดว่าพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <S <S เราเป็นเหมือนคนขับร่างกายร่างกายนี้ไม่เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์กับคนขับนี้เป็นคนละส่วนกันเวลารถยนต์เป็นอะไร ไม่ได้ทำให้คนขับเป็นไปด้วยเวลายางแตกคนขับไม่ได้ยางแตกไปกับรถยนต์คนขับก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ฉันใดถ้าเราสามารถเห็นกายกับใจว่าเป็นคนละส่วนได้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเรา เหมือน ively, ตอนนี้เราไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของคนอื่นอย่างโยมแก่เจ็บตายนี่เราไม่เดือดร้อนเราแก่เจ็บตายโยมก็ไม่เดือดร้อนเพราะโยมรู้ว่าโยมไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นโยมแต่ถ้ า, ามาคิดว่าเราเป็นโยมโยมเป็นเราเนี่ยพอเราเป็นอะไรในยโยมจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีอันนี้มันเดือดร้อนเพราะความหลง เพราะความยึดพอหลงคิดว่าเป็นของเราแล้วมันจะเกิดความยึดติดมันจะเกิดความรับความหวงมันจะไม่อยากให้เป็นอะไรไปมันจะไม่อยากให้จากเราไปตัวนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์กันไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายถ้ามันทุกข์เวลาคนอื่นแก่เจ็บตายเราก็ต้องทุกข์กับเขาด้วยสิแต่มันไม่ใช่ สิ่งที่ทำให้เราทุกข์เพราะเราไปยึดติดกับร่างกายถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นร่างกายที่เรามีอยู่นี้ไปยึดติดกับร่างกายของคนอื่นก็ทุกข์ได้พอมีแฟนก็ไปยึดติดกับร่างกายของแฟนไม่อยากให้แฟนจากเราไปพอจะแฟนจากเราไปเราก็ทุกข์พอได้ร่างกายของลูกมาก็ทุกข์กับร่างกายของลูกเพราะไปยึดว่าเป็นของเรา พออะไรเป็นของเราขึ้นมานี้มันจะต้องให้เราทุกข์ทันทีแม้แต่ไม่ใช่ร่างกายก็ยังทุกข์พอบ้านนี้เป็นของเราขึ้นมาก็ทุกข์ละพอน้าท่วมบ้านหน่อยก็เดือดร้อนนะไฟไหม้บ้านหน่อยก็เดือดร้อนนะพออะไรเป็นของเรานี่มันทุกข์ไปหมดแต่พออะไรไม่เป็นของเรานี้ไม่ทุกข์เลยนี่คือความจริงความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดจร้ว่า ของทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้มันไม่ได้เป็นของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสามีภรรยาบุตรทิดาญาสนิทมิตรหายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดบ้านก็กลายเป็นของคนอื่นไปรถยนต์ก็กลายเป็นของคนอื่นไป เพราะมันไม่ได้เป็นของเรามาตั้งแต่เดิมแล้วเราไปถือว่าเป็นของเราเท่านั้นเองพอเราถือว่ามันเป็นของเราพอเราต้องจากมันเราก็เสีย อ, อกเสียใจร้องโหมร้องไห้บางทีเรายังไม่ทันตายเลยเสียไปก่อนเสียล่มจมล่มละลายหมดเนื้อหมดตัวพอหมดเนื้อหมดตัวนี้ก็ไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่มีความสุข เพราะเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราเพราะตลอดชีวิตของพวกเราเรามัวแต่มาพัฒนาที่พึ่งทางกายกันจนลืมพึ่งลืมสร้างพัฒนาที่พึ่งทางใจน่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราวันนี้หยุดพัฒนาทางกล้างกายกันให้มาพัฒนาที่พึ่งทางใจกัน เพราะว่าถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วต่อไปเวลาเราเสียที่พึ่งทางร่างกายไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเพึ่งอยู่ขณะ น, นี้มันไม่ได้เป็นของเราแล้ววันหนึ่งมันกับเราก็ต้องมีการจากกันแยกทางกันเราจึงมาสร้างที่พึ่งทางใจสร้างที่พึ่งทางใจก็คือความสงบ ความสงบนี้แหละเป็นที่พึ่งทางใจเวลาใจสงบแล้วจะมีความสุขจะมีความอิ่มมีความพอจะไม่ต้องการอะไรอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องมาพัฒนากันการพัฒนาทางใจก็มีหลายขั้นมีตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงพัฒนาจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ที่ยาก เหมือนกับการเรียนหนังสือเราเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลเพราะมันง่ายกว่าชั้นประถมพอเราผ่านอนุบาลได้เราก็จะขึ้นชั้นประถมได้จากชั้นประถมเราก็ขึ้นชั้นมัธยมชั้นมัธยมเราก็ชั้นอุดมศึกษาได้รับปริญญาต่างๆได้แต่ถ้าเราจะไปสู่ขั้นอุดมศึกษาเลยนี่เราก็ไปไม่ได้ไปสอบเอ็นทันทลัยก็สอบไม่ติด ว่าไม่มีความรู้ที่จะไปสอบต้องพัฒนาจากชั้นอนุบาลขึ้นไปชั้นใดความรู้ที่เพึ่งอันสูงสุดของใจขั้นสูงสุดนี้เรายังไปไม่ถึงกันเราต้องเริ่มจากขั้นต่ำไปก่อนขั้นต่ำของการสร้างที่เพิ่งก็คือการทำบุญให้ทานอย่างที่ญาติโยมมาทำบุญให้ทานกันในวันนี้ เวลาทำบุญทำทานแล้วใจจะมีความสุขใจก็จะอยู่เฉยๆได้ถ้าไม่ได้มาทำบุญนี้ใจอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายพอไปแล้วก็ติดไปแล้วก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเงินเงินไม่พอใช้เพราะติดการซื้อความสุขต่างๆ แต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขเหล่านี้มาซื้อความสุขทางใจมันจะทำให้ใจเราอิ่มเราพอแล้วเราจะไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไปเที่ยวไปเล่นไม่ต้องไปซื้อข้าวของฟุ่งเฟยต่างๆเพราะการทำบุญนี้จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจในระดับหนึ่งพอที่ทำให้เรา ไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆทำบุญเสร็จกับใบบ้านอยู่บ้านสบายใจไม่อยากจะออกนอกบ้านออกไปแล้วก็วุ่นวายออกไปรถก็ติดร้อนก็ร้อนดีไม่ดีก็ต้องไปเสี่ยงกับภัยอันตรายต่างๆอยู่บ้านสบายกว่าคนจะอยู่บ้านได้ต้องเป็นคนที่ทำบุญ ถ้าทำบุญแล้วจะไม่อยากจะไปข้างนอกเพราะใจมีความสุขใจมีความพออันนี้จะให้ความสุขเราในระดับขั้นที่หนึ่งเป็นที่พึ่งของเราขั้นที่หนึ่งทีพ่พอเราทำทานได้เราก็จะมาะสร้างที่พึ่งขั้นที่สองได้ขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลการไม่ทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อน เวลาทำบาบนี้ใจเราจะไม่สบายเราจะมีความวิตกกังวลกลัวจะต้องถูกจับไปลงโทษกลัวจะต้องรับผลของวิบากของกรรมที่เราทำไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไรเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเป็นสุขขั้นที่สองพอเราได้สุขขั้นที่สองเราก็จะสามารถก้าวขึ้นไปสู่ความสุข หรือที่พึ่งขั้นที่สามได้ก็คือการทำใจให้สงบนั่งสมาธิปิดตาทำใจให้สงบจะรักจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องรักษาศีนแปดให้ได้จากศีห้าก็ต้องมารักษาศีแปเพราะศีแปดจะช่วยให้เรามีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าเราไม่รักษาศีแ8เดี๋ยวเพื่อนมาโทรชวนไปเที่ยวก็ไปเดี๋ยวแฟนมาขอนอนด้วยก็ต้องไปนอนกับแฟน เดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปกินเลี้ยงไปกินเลี้ยงตอนข้าไปงานวันเกิดวันแต่งงานก็ไปแต่ถ้าถือศีลแปก็บอกไปไม่ได้วันนี้ถือศีลแปจะต้องอยู่วัดอยู่บ้านเพื่อที่จะมานั่งสมาธิมาสร้างที่พึ่งทางใจระดับที่สามพอเรารักษาศีลแปได้เราก็จะไปอยู่วัดได้หรือถ้าอยู่วัดอยู่บ้านก็อยู่บ้านไม่ออกไปข้างนอกได้ เราก็จะมีเวลามาเจริญสติมาพุโทโธพุโทโธควบคุมความคิดพอเวลาเรานั่งสมาธิถ้าสติมีกำลังมากกว่าความคิดมันก็จะหยุดความคิดต่างๆได้พอความคิดหยุดใจก็จะสงบใจก็จะว่างเย็นสบายแล้วใจก็จะมีความสุขที่สูงสุดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลาย แล้วใจก็จะเห็นว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันทีนี้ก็จะทำให้สามารถใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนมาบอกใจของเราว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปรักอย่าไปหวงมันมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายปล่อยมันไปแล้วเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ปล่อยเรายึดเราติดเราจะเดือดร้อน เหมือนกับเวลาเราปล่อยร่างกายของคนอื่นเวลาเขาตายเราไม่เดือดร้อนเลยฉันใดถ้าเราปล่อยร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเรานี่ people, เราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นกันเราจะไม่ทุกข์กับมันเลยนี่คือการสร้างที่พึ่งขั้นที่สี่คือขั้นปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรานี่มันไม่ได้เป็นของเราเลยมันจะต้องจากเราไป แลนะ้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราต้องปล่อยวางเราต้องให้มันไปถ้าเราปล่อยวางให้มันไปเราจะไม่ทุกข์อย่างวันนี้ญาติโยมก็มาฝึกหัดการปล่อยวางเงินทองเข้าของที่โยมคิดว่าเป็นของโยมวันนี้โยมมาคิดว่าไม่ใช่เป็นของโยมเป็นของพระก็เลยเอามาถวายพระพอพอยอมถวายแทนที่จะทุกข์กับไม่ทุกข์กับมีความสุขใช่ เวลาทำบุญทำไมเรามีความสุขเงินก้อนเดียวกันนี้ที่เอามาทำบุญนี้ถ้าเกิดหายไปถูกขโมยไปนี้จะรู้สึกอย่างไรจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะไม่ยอมให้เขาเอาขโมยไปแต่ยอมเอาไปทำบุญเวลายอมก็มีความสุขพอเวลาไม่ยอมก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องมายอมถ้ายอมแล้วเราจะหยุดหยุดต่อต้านความจริง พอเราหยุดต่อต้านความจริงแล้วเราก็จะเย็นจะสบายพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาใช้สูตรสามยอยอที่หนึ่งก็คือยอมยอที่สองก็หยุดยอที่สามก็จะเย็นเราต้องยอมปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเราปล่อยให้เขาไปเมื่อถึงเวลาเขาไปให้เขาไปเราหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านอย่าไปสู้สู้ไม่ได้ ของที่มันจะไปจากเรานี้เราสู้ไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราสู้เราจะเหนื่อยแล้วเราจะทุกข์ถ้าเราไม่สู้เราปล่อยให้เขาไปเราจะเย็นจะสบายมีความสุขเช่นแฟนอยากจะไปอยากไปสู้กับเขาเขาอยากจะไปยอมให้เขาไปปล่อยให้เขาไปหยุดต่อสู้แล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เครียดถ้าเราคิดว่าเป็นการทำบุญถ้าเขาไปแล้วเขามีความสุขก็ให้เขาไป เพราะเราลักเขาเราอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ยินดีที่จะสละเขาไปพอเราปล่อยเขาไปแทนที่เราจะทุกข์เรากลับไม่ทุกข์เรากลับมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ยอมแล้วเขาไปอยู่ดีเราก็จะทุกข์และอาจจะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทจนถึงอาจจะทำให้เราไปฆ่าเขาก็ได้พอไปฆ่าเขาเราก็เลยไปทําบาปไปส่งตัวเราไปตกนรก เพราะความหลงความยึดติดไปคิดว่าเป็นของของเรานี่คือปัญญาที่พวกเราจะต้องพัฒนากันขึ้นมาให้ได้ขั้นต้นต้องเห็นก่อนจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบว่าใจกับร่างกายกับทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นคนละส่วนกันใจไม่ต้องมีอะไรใจอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายมีแล้วกับทุกมากกว่าไม่มีเวลามีแล้วต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีเสมอ เวลาเราไม่มีเราจะไม่ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่างไปมีอะไรบ่อยวางทุกอย่างมาอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกพระพุทธเจ้าก็เคยอยู่แบบเราอยู่ดีกับเราเสียได้ซ้าไปอยู่ในวังมีประสาสามฤดูแต่ท่านมีปัญญาท่านรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของท่านมันจะต้องจากท่านไปท่านเลยไปหาสมบัติที่เป็นของท่านดีกว่า สมบัติของท่านก็คือความสงบความสงบที่ถาวรเราก็เรียกว่าพระนิพพานนี่เองนี่แหละคือที่พึ่งทางใจที่แท้จริงที่เราจะพึ่งได้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดก็คือความสงบความสุขของพระนิพพานที่เราเรียกว่าบรลมสุขนิ บ, บานังปรมังสุขขังนี่แหละคือที่พึ่งของพวกเราชาวพุทธ เราต้องมาสร้างที่พึ่งอันนี้กันแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆไปเราจะเสียอย่างเหมือนกับที่เราเสียมาวันนี้เนี่ยเรามาเสียข้าวของเงินทองเสียเวลาแต่แทนที่เราจะเสียใจเรากลับดีใจเรากลับมีความสุขเพราะเรายินดีที่จะเสียเราพร้อมที่จะเสียเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ เอาเงินเอาทองนี่มาเปลี่ยนเอาเอาเอ า, เอาความสงบไปดีกว่าเอาบุญเอากุศลไปดีกว่าเป็นของเราเอาไปได้เป็นที่พึ่งของเรานี่คือเรื่องของการพัฒนาที่ถาวรก็คือการพัฒนาที่ใจพัฒนาที่ใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาถ้าเราสามารถ ทำหรือปฏิบัติการพัฒนา4ข้อนี้ได้รับรองได้ว่าเราจะได้ไปพบกับพ่อพุทธเจ้ากับพระอรหันตตสาวกอย่างแน่นอนเราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่กับไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา